กรารเจริญนิพพานไม่ใช่การมุ่งคิดให้แตกหักในเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาทำอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ก็จะเป็นข่สมมุติทั้งสิ้นแต่เราคิดเป็นเดือนเป็นปีเป็นสิบปีเป็น 20-30 ปี1ร0้อยปีนะครับอย่างดีที่สุดของการใช้ความคิดปรุงแต่งเพื่อเข้าใจโลกเข้าใจสัจธรรมหรือธรรมชาติอย่างดีที่สุดก็คือเราปราบเปลือก แตกฉานในความคิดแต่ทื่นเราจะไม่สามารถนำผลได้อันนั้นไปจัดการกับความทุกข์ยากที่เราเผชิญหน้าจริงๆอย่างโดดเดี่ยวเพระความหมายถึงว่าแม้จะทำมากในแง่นั้นนะครับแต่ผลจะน้อยนิดมากๆครับซึ่งตรงข้ามกับการกระทำแม้น้อยนิดแต่จะมีผลมากมายอย่างคาดไม่ถึงนั่นก็คือ การถอนตนจากความคิดค็อาจจะต้องตั้งคาถามขึ้นมาว่าถ้าเราถอนตนจากความคิดแล้วเราจะกลายเป็นคนไม่มีหัวคิดหรือเปล่าและเราดำเนรงชีวิตอยู่ในโลกที่ความคิดให้คาหมายและสวัสดิการแก่เราคนที่คิดมากคิดเก่งคิดชัดเท่าไหร่เขาน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้น น, นี่ก็มีมีขายโต๊ะยางหรือโต๊ะเถียงได้นะครับแต่ขอสังเกตจริงหนึ่งก็คือเพราะความคิดอันมากมายใช่หรือเปล่าครับที่ทำให้เราทุกข์เนอะทุกวิกจารทั้งหมดมันมาทางความคิดครับเราก็ไปเชิญหน้าสองด้านแล้วครับทํำยังไงเราจึงจะไม่สูญเสียความคิดแต่เราไม่จําเป็นต้องทุกข์กับความคิดด้วยดูความต้องการของเราดูจะขัดแย้งอยู่ในตัว บางครั้งบางคืนนะครับเรานอนไม่หลับสาเหตุก็คือเราไม่อดหยุดยั้งความคิดของเราได้เราไม่อยากจะคิดเลยด้วยนั้นเรารู้ดีว่าถ้าคืนคิดเราจะเจ็บปวดแต่เราอดไม่ได้เรารู้ดีว่ากรณีชนี้เราไม่อยากจะโกรธโกรธแล้วมันเหนื่อยเจ็บปวดโรภคภัยไขเจ็บจะรุมเร้าเลยแต่เราก็อดไม่จะให้ี่จะต้องโกรธเรามีสติกันทุกคนนะครับ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 ลังเลในข้อแนะนผมนะครับผมจะยกพุทธภาสิตขึ้นมาสำทับไม่ใช่เพื่ออุดภูมินะครับจริงพุทธภาสิตเหล่านั้นรวนแล้วจะมีมิติที่ลุ่มลึกตีความได้หนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นหรือที่สุดก็ได้ครับเช่นยกตัวอย่างพระเจ้าบอกว่าดุก่อนภิกษุทั้งหลายเธอรู้จักรูปเธอจักปริญพาณฟังดูง่ายดีกับรูปเราก็เห็นอยู่รู้จักแต่เรายังมีปัญหายุ่งยาก